กำหนดสติจนเป็นสัมปะชัญญะอัตโนมัติบ่อยๆไม่มีความปรารถนาสิ่งใดนอกตัวแผ่วผ่านเข้ามาเกาะกลุ่มได้เกินนาทีเพราะแต่และความอยากเป็นอันถูกรู้ถูกเห็นด้วยความเคยชินทั้งหมดทั้งสิน้น